245โลกแห่งความตายมีแต่ธรรมะแท้ๆไร้อธรรมดังนั้นคนที่ตายไปแล้วเหลืออยู่แต่อนุสัยหรือธาตุแห่งจิตหรือมโนหรือวิญญาณเท่านั้นที่เป็นความมีโหติยังรับวิบากที่มีอยู่ทั้งหลาย แม้ผู้ที่เป็นเสขะบุคคลก็ยังเหลือความมีสำหรับอรหันต์นั้นไม่มีณนะโหติอนุสัยใดๆแล้วได้ทำให้ไม่มีสำเร็จแล้วตายไปแล้วจึงไม่มีณนะโหติเรียกว่าไม่มีกายผู้ไม่มีอนุสัยหรืออนุสัยดับสิ้นแล้วคือผู้ไม่มีกายแล้ว ตายกายแต่กายยัสสะเพธาจึงไม่มีกายไปด้วยไม่เข้าถึงกายแต่ผู้ที่ยังมีอวิชชาไม่ว่าพานหรือบัณฑิตตายหมดลมหายใจไปก็ยังมีกายหรือยังเข้าถึงกายพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ5 7ถึง ในโลกแห่งความตายจึงมีแต่ความจริงมีแต่ธรรมะไม่มีอาธรรมใดๆเลยเป็นอันขาดยิ่งในโลกของจิตวิญญาณนั้นมีแต่อุปาทานในอนุสัยของตนของตนเท่านั้นซึ่งมีแต่ความแสหาความดิ้นรนของตัณหาที่ตนยึดมั่นถือมั่นว่ามีจริงจริงจริงกว่าตอนเป็น